ต่อไปนี้ขอเชิญท่านฟังการบรรยายธรรมะในโอกาสที่พระนัท่านนายสัญญาธรมรมศักดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทยได้มากราบเยี่ยมท่านหลวงพ่อเจ้าคุณพระโพธิยานเทระเมื่อวันที่23สิงหาคมพศ2521ขอเชิญฟังครับ แต่ท่านรู้ว่าสุขนะมันเป็นพิษถ้าเราไม่รู้มันท่านก็ไมไม่ไปสมคัญมั่นหมายสุขนั้นว่าเป็นตัวเป็นต้นเป็นต้นสุขนั้นมีอยู่หรือมีอยู่ในความรู้ไม่มีอยู่ในจิตของท่านเช่นนี้ก็รู้จากว่าท่านแยกสุขแยกทุกข์แยกเวทนาออกจากจิตใจของท่านได้มีอยู่อยู่ด้วยกันนั้นเนี่ตรงเหมือนคาว่าพระพุทธเจ้าของเรานั่นน่ะนี่พระอรันนี้เจ้าของท่านตัดจิริบนะ ท่านฆ่ากิเลสนี่ยท่านฆ่าจิเลสไม่ใช่ว่าทัานไปฆ่าจิเลสนะครับถ้าฆ่ากิเลสมวลเรื่องเราคงไม่มีจิเลสกันใช่ไหมเพราะท่นฆ่าไปหมดแล้วท่านไม่ได้ฆ่ามันอ่ะท่านรู้เลยท่านปล่อยไปตามเรื่องมันใครโง่มันก็ไปเอาคนนั้นนี่ะไม่ใช่ว่าท่านฆ่ากิเลสนะท่านรู้เฉพาะใจของท่านว่าไอ้จริงทั้งหลายเหล่านี้ม evet. <cargo S 1> ันเป็นพิษสันก็เขี่ยของท่านออกเขี่ยออกไปเขี่ยออกไปจริงจะให้ท่านเจอทุกสน่งเขี่ยไปไม่ใช่นจะไปฆ่ามันหรอก ไอคมที่ไม่รู้จับที่ตังเขียกพอไปตะกุกเอาใช่ไหมเอออันนี้ดีแล้วเนี่ไอความเปจริงพระพุทธเจ้าทั้งเนี่ยสันงทิ้งอย่างสุกอย่างนี้เป็นต้นท่านเขียกเอาเราก็เห็นแไปไปต่กุบไะกุกเอาจับใช่ยางไปเลยกับของดีของเล่าเน่ยนะอย่างนี้เป็นต้นไอความเป็นจริงนั้นอ่ะถ้านไม่ได้ข้ามันทันรู้เท่ามันเมื่อสุขตัวขึ้นมาท่านก็รู้ว่ามันมันสุขแต่ท่านไม่มีสุกแต่ท่านรู้ว่าอันนี้มันเป็นสุข ท่านไม่ไปสําคัญมั่นหมายมันว่าเป็นตัวเป็นตวนว่าเป็นเราว่าเป็นของเขาทั่งนั้นอย่างนี้สันกปรอยมันไปทุกตัวมันกันเมื่อทุกข์ดันก็ทะเรียกว่าเวทนาเรียกว่าทุกเวทนาสุกเกิด ข, ขึ้นมาท่านก็รู้อันนี้ตัวสุกเวทนานี่เอที่เวทนานกอ่อนจะมีเวทนาเนี่ยเป็นตันที่เราเราก็ไปเสวยกัตัว น, นี้ก็ไปเสวยคืขขอก็ไปแบกบเขทุกข์มันไว้แบกสุกมันไว้ไแบบอความเป็นสุกใจความเป็นยังไงเวทนา สุขเวทนาทุกเวทนาตัวจิตของเรามาันเป็นคนได้อยากกันอย่างตัวเราเรี๋ยวนี้นั่งอยู่อย่างนี้มันก็สบายอย่างนี้ถ้ามีไม้กระท่อนหนึ่งเราไปแบกมันเดอยากได้มันเนะ่ยแบบหนักเงินั ก, นกเป็นต้นไอ้ต่อนไม้เนี่ยคือมันตัวเวทนาหละไอ้ตัวคนที่อยากได้ต่อนไม้คือตัวจิตของเราเดี๋ยวเราไปแบกท่อนไม้มก็หนักใช่ไหเนี่มันหนักถ้าคนมีปัญญาหนักเต้องไม่ทุกนะด้วยจปล่อยมัน มันหนักเต็มที่ต้องตกต่อยมันพราะอนไม้น่ยมันมีประโยชน์จะไปทำประโยชน์เขารู้อย่างนี้มันก็คอยชั่วนะมันไม่ทับตายอยานี้เป็นต้นจิตนี้ตัวมันต่าง น, นั่นอาการของจิตคือสุขคือทุกเวทนาสารพัดยามเป็นต้นคือมันเป็นอารมณ์อันนั้นนเป็นส่วนโลกนะถ้าจิตรู้แล้วเป็นต้นสุขท่านก่อนทำได้ทุกท่านก่อนทำได้เพราะอะไรท่านรู้จักทุกท่านรู้จัดสุขนี่ตามเป็นจริงแล้ว คนที่ไม่รู้จักสุขหรือทุกนั้นสุขกับทุกเนี่ยมันคนในราคากันคนในระดับตัน้นถ้าทู่รู้ทั้งหลายเนี่ยท่านบอกว่าสุขเวทนากับทุกเวทนาเนี่ยมันมีราคาเท่าเกันอืมมีราคาเท่าเทากันท่านนั้นเนี่ยถ้าไปยึดในสุขนั่นแหละคือบ่อกเกิดของทุกทุกมันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรสุขแล้วมันก็ไม่ที่ยง เยมันแปลปั่นไปมาทล้วหายไปเมื่อสิ่งที่มันหายเนี่ยสุขหายไปทุกข์ก็เกิดขึ้นมาเนี่ยดังนั้นเป็นต้นพระพุทธเจ้าจริยรู้จักสุขนี่มันเป็นโทษทุกข์นี่มันก็เป็นโทษมีราคาเท่าเท่ากันเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาเท่ากับเห็นว่ามันสุขมันเกิดขึ้นมาสุขมันเกิดขึ้นมาเท่าก็เห็นว่ากลับทุกข์เถอะมันเกิดขึ้นมาเท่านั้นเนี่ยดังนั้นจริยปล่อยจริยสุขปล่อยจริยทุกข์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 เมื่อท่านเห็นเช่นนี้เป็นต้นสัมมาทิฏฐินั้นก็เกิดขึ้นมาเป็นสัมมามัตยจะยืนจะเดินจะนอนก็ตามความรู้สึกนึกคิดทางจิตนั้นมันจะเกิดขึ้นมาก็าตามการรู้จักว่าอันนี้มันสุยอันนี้มันทุกข์เสมอทีเดียวท่านไม่แหยยึดเป็นต้นอย่างที่พระบรมศ า, ศาสดาของเราเป็นต้นการารู้มาใหม่ใหม่ปรนะเทศตามมาสุขานิกายโยโข อ, อ จ, จักยิรัตชายโยโข ะคิดูทั้งหลายการมาสุขานุกายโยโคนั้นทางมันหย่อนอจจะกิรมาธาลิโยโคนั้นคือทางมันตึงอันนี้มันเล่นงานท่านมาตลอดทางจนถึงวันการรู้ธรรมท่านไม่ได้ปล่อยมันนะท่านจับที่ตรงนี้ได้แต่ทีงว่าปล่อยสาวสุตเป็ปัจจิประสมประเทศนาเลยตามมาสุขานิการโยคือคือก้นอิดยืนความสุขในทางนั้น สามณนะอย่าพึงเดินไปอันนี้มันจะทางของสามนะัะคือใครไปคิดใครไปนึกไปสำคัญมัน่นหมายในในตามนี้เป็นต้นมันวุ่นวายความสงบไม่มีในจิตนั้นสามัญะเกิดเป็นในนั้นท่านมาทางนี้อย่าเดินอัตตะจิรวาทะนิโยโคเ ป, เ, ปน เ, นยโเป็นต้นทางนี้เป็นต้นทางที่มันเหี่ยมโหดรุนแรงเป็นต้นทางนี้ก็อย่าเดินไปสมณญะมาอยู่ที่นี่ความสงบมาอยู่ที่นี่ สมณะไม่เกิดทางนี้ความทั้งบไปอยู่ทางนี้คือสุขและทุกเนีย้ยสมณะอย่าไปสุขก็อย่าลืมตัวทุก็อย่าเดินไปให้รู้มันให้รู้ทุกนี่ให้รู้ทุก ม, มันจะเกิดทุกให้รู้ทุกรู้จักทุกก็รู้จักเกิดทางทุกทางจะทุกมันก็เกิดรู้จักความหับทุกหรือข้อประพฤติปฏิบัติใน้รึ่งความหับทุกมันก็รู้จักข้อปฏิบัตินี่คือการภาวนานี่เอง พูดง่ายๆกวเดียวเราเป็นผู้มีสติสตินี่คือความรู้คือความรึกอยู่เสมอว่าเราอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้เราคิดอะไรยู่เราทำอะไรอยู่เรามีอะไรอยู่เดี๋ยวนี้ต่อรู้อย่างนี้แรึกอยู่เสมอว่าเราอยู่ยังไงเรารู้ตัวอยู่ขณะนี้เรามีอะไรอยู่เราคนักคิดอะไรเรามีสุขหรือมีทุกข์ผิดหรือถูกอยู่เดี๋ยวนี้เรามีสิ่งท้งสองนี้ประสบอยู่อย่างนี้ ปัญญามันก็เกิดขึ้นมาท่านั้นเนี่ยดึกได้อยู่รู้ได้อยู่เป็นต้นมันก็วิ่งไปหาปัญญาปัญญาก็เกิดขึ้นมารับทีภาครับวิจารทพิจารณา<ม>เราจะยื้อูยืนเดินนั่งนอนอยู่ก็ตามที่เดอะมีความรู้อยู่อย่างนี้มันก็รู้จักเนมันรู้จักผิดรู้จักถูกรู้จักสิ่งที่พอดีไม่พอดีเมื่ออารมณ์ที่พอใจเกิดขึ้นมาอยู่เดี๋ยวนี้เราก็รู้จักอันนี้เราก็ไปไม่ไปสําคัญมันไ ม, ม, ม้หมันศแต่ว่า เมื่อทุกข์เกิดขึ้นมามันเป็นอาาัตตาเยนมาทายาโปแล้วพอรูร้ว่าเอออันนี้ไม่ใช่ทางของสมณนะเนี่ยว่าสักว่าทุกข์สักว่าสุขเป็นของสักว่าเท่านั้นเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะก็เรียกว่าเราแยกเราแยกจิต ก, กับเวทนาเนี่ยมันออกจากกันได้แล้วลักษณะอันนี้เป็นจิตอาการที่สุกขมันเกิดขึ้นมานั้น เมื่อเราไปยึดเป็นต้นเวทนาก็เกิดไม่สุขกับทุกขานั้นนั่นถ้าจิตเราชนะถ้าจิตเราชนะแต่ก็ไม่ไปยึดวางเป็นครูเฉยๆด้วยแล้วก็ปล่อยไปตามสภาวะอันนั้นอย่างนี้เป็นต้นพอเหมือนกันสติน้ามันกับน้ำผ้ามันปะปนกันในโรัอันเดียวกันเป็นต้นมันก็ไม่ซึมซ่ามไปหากันแต่มันอยู่ครัวเดียวกันก็ได้อย่างนี้เป็นต้นลักษณะของจิต Os, กับเวญธนะทาท้งหลายก็เป็นอย่างนี้ถึงแม้ว่าเราเจ็บถึงแม้ว่าเราป่วยมาเราก็รู้สึกว่ามันเบญนาะมันก็เป็นเบทนาะเนี่จนะิตมันก็เป็นจิตเป็นคนได้อย่างกันอยู่เนี่ยรู้จักเจ็บไหมรู้จักรู้จักสบายไหมรู้จักแต่ไม่ไปอยู่ในความสบายแต่ไม่ไปอยู่ในความไม่สบายอยู่ในความสงบสงบยังไงสงบจากความสบายนั้น สงบจากความทุกนั้นอันนี้ชี้ให้เห็นอย่างนี้เพราะมันไม่มีตัวตนอย่างนี้จะอยู่ยังไงก็ไม่ได้ยังไงไหมจาอยู่อย่างนั้นคือท่านไม่มีสุขไม่มีทุกแต่รู้สุขไหมรู้ท่านรู้แต่ท่านไม่เป็นสุขท่านไม่เป็นทุกท่านรู้ไหมมันทุกข์รู้สุขรู้รู้อยู่แต่ท่านไม่ไปแบกมันเป็นต้นเวทนานั้นมันก็ไม่เกิดอย่างนี้ถ้าว่าเราอะฟุตตัวชนเรามันอตัวแปลก มันจะเป็นปุถุชนก็ะช่างเหมือนเรามุ่งตรงนั้นเลยเห็นไหมมันมีอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นจิตมันก็เป็นส่วนจิตอยู่อย่างนี้นะเวทนาสุขทุกข์มันก็เป็นส่วนสุขทุกข์อยู่อย่างนั้นมันไม่มีอะไรกันมันอยู่อย่างนี้มันแยกกันอยู่แล้วไม่ใช่ว่ามันปนกันอยู่ถ้ามันปนกันอยู่เราไม่รู้ทั่วถึงมันเท่านั้นเลยไอความเป็นจริงเรื่องน้านี่มันแยกกันอยู่ถึงกายกับจิตนี่เป็นต้นมันจะร่วมกันอยู่นี่ก็จริงฉันนั้น อย่างบ้านเรากะเราอยู่ในบ้านมันต่อเนื่องกันอยู่อย่างนั้นเนี่ยบ้านเป็นอตรายจิตเราก็เป็นทุกข์จะต้องร่วมครองรักษาอยู่อย่างนี้เป็นตนถ้าว่าไฟมันเกิดมาไหมา้ขึ้นเป็นตนเราวิ่งออกจากบ้านก็ได้นั่นะนอ่วิ่งออกจากบ้านเมื่อเวทนามันเกิดขึ้นมาเป็นตนทุกเวทนาเกิดขึ้นมาเราวิ่งออกจากมันจะได้ทุกเวทนาอีกกี่วันจะได้มันเราเป็นเจ้าของบ้าน มื่มันเต็มทีมารู้ตามเป็นจริงไฟไม่ว่านวเราก็วิ่งออกระได้นะเพรามันผลและพลอันนึงมันเจ้าของบ้านอันนึงมันบ้านมันเป็นอยู่อย่างนั้นเองของมันมันเป็นปกติอย่างเงี้ยอย่างนั้นดังนั่นจิตก็ดีนะคิดก็ดีเวทนาก็ดีถึงเราจะแยกมันออกเป็นต้นมันแยกอยู่แล้วพอจะเรามารู้มันตามเป็นจริงแะไรมันก็รู้จากการแยกของมันอยู่แล้วเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้ว ที่ว่ามันไม่แยกนี่คือเราไปยก็บมันหมายมันมันเราไม่รู้ตามเปลนจริงมันก็คลุมตัวกันอยู่อย่างนั้นนี่เป็นต้นมันคลุมกันอยู่นั่นเหมือนช้อนที่เราสดแกงนี่เลยมันแกงก็เป็นอย่างหนึ่งช้อนมันก็เป็นอย่างหนึ่งนะนี่ถ้าคนรู้จักอันนี้มันแกงอันนี้มันเป็นช้อนมันก็สบายนั่นนะเอาชดอนน้ำเอาช้อนมันวางไว้มันสบายนะถ้าเราไปทานช้อนอยู่มันก็ลาบากจริอืงไม่เห็นช้อนเป็นช้อนไม่เห็นแกงเป็นแกง ไม่เห็นเวทนาเป็นเวทนาไม่เห็นจิตเป็นจิตมันต่อยุ่งเท่านั้นแหละถ้าเราคิดชันนี้ได้เป็นต้นจะยืนนะ่ะมันก็แยกอยู่จะนั่งมันก็แยกอยู่จะนอนมันก็แยกอยู่นะ่ะเอมันมีสุขมีทุกข์อยู่สลับซับซ้อนกันอยู่ทุกเวลานั่นเองดังนั้นพระพุทธเจ้ายังไงภาวนาการปฏิบัติภาวนาปฏิบัตินี่เป็นของสําคัญนะรู้เฉยๆไม่พอหรอก รู้เกิดจากการปฏิบัติที่จิตสงบนี้กับรู้ที่เราเรียนมานี้มันไกลกันมากทีเดียวเนี่ยนะมันไกลกันมากมากมายทีเดียวรู้ในการศึกษารู้ในการเรียนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่จิตกลางธรรู้การละนั่นนะเป็นเรืรู้แล้วมันเก็บไว้รู้แล้วมันตะคุกไว้มันเก็บไว้ะนะเก็บได้ทำไมเก็บได้เพื่อจะมันเสียมันเสียมันจะร้องไห้เห็นไหมนะถ้ามันรู้อย่างทางจับทางวางทางเก็บทางวางทางเก็บทางปล่อยทางรู้ทางปล่อย ด้วยเราก็มีการปล่อยวางอยู่อย่างนี้ว่าอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นอยู่นี่เราก็ไม่ลืมตัวเราเนี่ยไม่ลืมตัวถึงขาวทุกมาถ้าทั้างข้าเก็บมาถึงขาวไข่มาเป็นต้นเราก็ไม่ลืมบางคนก็คิดว่าเออเดี๋ยนีน้ฉันไข่ตะวัดรองเลยไม่ต้องภาวนาเลยนั่นคือคําพูดของคนโง่จริงๆนะเมื่อคนไข้คนจะตายมั น, น, บบนจะรีบภาวนาพอสมั้งอันนี้ก็ยิ่งว่าเราไม่มีเวลาภาวนาจะแล้ว ไอ้ความเจ็บมันก็เกิดขึ้นมาเลยไอ้ความทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาเลยไอ้ควมไม่ไว้ใจในสังขารในเวลานั้นมันก็มีมาแล้วก็ยังเข้าใจว่าเราไม่ในภาวนาคือไม่มีเวลาแต่ว่าพจะองค์ไม่ตรัสอย่างนั้นอนะาจารย์ตรานั้นแหละตาลังจะที่ถูกถูกที่มันที่เจริญปฏิบัติแล้วจวนจะเจ็บจวนจะท้จวนจะตายแต่ยิ่งเร่งยิ่งรู้ยิ่งเห็นยิ่ ง, งสัจธรรมมันยิ่งเกิดเดียดนั้นเนะนี่ยถ้าเราไปคิดแค่นั้นมก็ลำ บ, บากนะ บางคนก็คิดว่าไม่มีโอกาสมีการงานเท่านันไม่มีโอกาสเกี่ยวภาวนาโดยมากอาจารย์ทั้งหลายเป็ม า, าจะมาํามมาทำอะไรสอนเด็กทํางานสารพัดอย่างพุ่นไม่มีเวลาเกี่วับภาวนาเมื่อสอนเด็กนักเตียนนั่นน่ะคุณมีเวลาหายใจไหมมีครับอ้าอ ทำไมมีระหายใจแต่สอนเด็กเรียนมันงานมันยุ่งนี่คุณห่างไปไกลไปไอ้ความเป็นจริงเรื่องปฏิบัตินี่มันเรื่องจิตเรื่องความรู้สึกตอนนั้นไม่ใช่ไปเลื่อนไปนนั่งไปวิ่งไปเต้นอะไรมากมายถึงความรู้สึกตอนนั้นเอื่ยรวมหายใจเราทํางานอยู่แล้วก็หายใจเรื่อยไปธรรมชาติมันยิ่งรู้พวกเราอยู่มันรักษาตัวของมันอยู่เราพยายามเพิ่มในสติให้รู้สึกตอนนั้นพยายามเรื่อยๆก็ไปเต็มไปแั้ก็ไป การภาวนาก็มันการฉันนั้นถ้าเรามีความรู้สึกอยู่อย่างนี้เราจะทํางานอะไรอยู่ก็ตามมันเถอะมันไม่เสียนะมันยิ่งทำการงานทั้งหลายดังนั้นรู้จาความจิดชอบขึ้นเสมอแล้วให้คุณเข้าใจใหม่แต่เวลาที่จะภาวนาเนี่ยเยอะคุณเข้าใจไมถึงหรอกนอนอยู่ก็หายใจอยู่หน่อยทานอาหารอยู่ก็หายใจได้ใช่ไหมกินให้ก็หายใจได้ทําไมมันมีเวลาล่ะถ้าคุณคิดเช่นนั้น ชีวิตของคุณในเวลานี้ถ้ามีราคาก็รวมหายใจนั้นก็เหมือนกันแถวนั้นเนี่ยจะอยู่ที่ไหนก็ต้องมีเวลาแต่ความรู้สึกนึกคิดมันเป็นเรื่องของนมามธรรมไม่จริงเป็นเรื่องของรูปธรรมย่างงั้นในคุณพิจารณาใหม่คิดใหม่ค้นใหมเ่เธอว่าให้มีส ต, ติเกินมาอย่างเดียวแตนรู้จักความผิดชอบเราอยู่ตลอดเวลาทาั้งการยืนเดินนั่งนอนเท่านั้นคุณจะเห็นคุณค่ามันว่าเวลานี่มันเยอะแต่เราไม่ฉลาดในเวลาของเราเท่านั้นเนีะมันถึงไม่มีเวลา ความจริงวันนี้ยึดรอนเวลาเท่านั้นแหละอันนี้ให้คุณไปคิดนาดูมันเปลี่ยนอย่างนี้ดังนั้นเป็นตันเวทนานี่เราจะหนีมันไปที่ไหนก็ไมด้มันต้องรู้มันซะให้รู้มันอย่างชัดเจนซะเวทนามันสักแต่ว่าสุขก็สักแต่ว่าสุขทุกข์มันก็เป็นของสักว่าทุกข์มันเป็นของสักว่าเท่านั้นเนี่เราจะไปยึดมั่นถือมันมันทําไมถ้าจิตเรามันฉลาดไปแล้วนะ อท่านี้มันก็แยกเวธนาออกจากจิตได้แต่นะครับเบทนาก็จักกว่าเบธนามันก็เห็นว่าจักว่าตอนั้นทุกมันก็จักว่าทุกสุขมันก็จักว่าสุขมันก็แยกแล้วนั้นเองมีไหมมันมีนอกใหญ่มันมีอยู่นอกใหญ่มีในความไม่ยึดมั่นถือมันไม่ไปตั้งความสำคัญมั่นหมายกับมันมีแล้วก็คล้ายปฏิมันไม่มีนั่นเองนะ่างนี้เป็นต้นนะอืมอย่างนี้ให้เราคิดทำนองนี้พิจารณาแล้วไปต้นเราจะถึงอะไรก็จักมั่นถือ นี่เรียกว่าการแยกเวทนาออกจากจิตให้รู้จักจิตเป็นอย่างไรเวทนามันเป็นอย่างไรให้มันรู้จักจิตมันเก็ดขึ้ความไปรู้สึกว่ามันสุขเป็นส่วนที่เรียกทำไมเป็นต้นสุขนะมันจริงหรือเปล่าทุกนะมันแน่หรือเปล่าตามก็ไปปัญญามันก็เกิดขึ้นที่จิตมันก็แยกสุขแยกทุกข์ว่าสุขกษัตร์ว่าเสสุขเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรทุกข์อ่ะมันสักเส่าทุกข์อะไรอะไรมันเป็นสางสักว่าอยู่เท่านั้น เรามีความรู้อยู่อย่างนี้ตลอดต้นจนปลายท่านั้นจะเป็นต้น่ะจิตของเราเป็นต้นกับปล่อยวางไม่ใช่วางในความไม่รู้นะวางมันรู้อยู่นะไม่ใช่วางในความโง่นะไม่ใช่วางไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะ่ะคือเห็นความเปลียนมันเป็นอยู่อย่างนั้นของมันจิตนี้เป็นตน้นนี่เห็นธรรมชาตินี่เห็นธรรมดาเมื่อเรารู้จากเช่นนี้จะเป็นตน้นแล้วก็ช้านาญในจิตรู้จากตามรักาษาจิตฉลาดในจิตของตนฉลาดในการรักาษาจิตตของน ฉล า, าดในจิตก็ต้องฉล า, าดในอารมณ์ฉล า, าดในอารมณ์ต้องฉล า, าดในโลกอย่างนี้เป็นต้นเป็นโลกปฏิทูพระพุทธเจ้ารู้แจ้งในโลกอยู่ในสิ่งที่มันยุ่งนแต่ดูในสิ่งที่มันยุ่งสิ่งที่มันไม่ยุ่งมันอยู่ในนั้นเนี่ยโลกที่เป็นของหมุนวายทําไมพระพุทธเจ้ามาดูแจ้โลกไี่ได้อย่างนี้ให้ปัจจัยว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าของเราบัญญัติไว้ไม่มีอะไรเจนเนื้อความสามารถของกอรันทังได้ แคะนั้นเป็นต้นถารารู้จิตของตัวจ so ิตเป็นจ <Yes. S 1> so, ิตเวทนาก็เป็นเวทนาตอนนี้ก็แยกกันดอกมันก็อยู่ขในตอนในตอนก็เป็นไปอย่างนั้นจิตไปเห็นสภาว่าอารมณ์มันเป็นอย่างนั้นของมันจะเกิดแยกก็ดับไปฉะนั้นมันเกิดแยกมันก็ดับไปดับแยกมันก็เกิดเกิดแยกมันเป็นเรื่องของมันอยู่ท่านั้นแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นมันก็เป็นคนละที่เลยว่ารู้เห็นตามจริงๆดังนั้นปัญหามันกระจุยดวงจีตตรงนี้มิฉะนั้นพวกเราท่านช่างลายเป็นต้น สิ่งทั้งหลายตอนนี้นี่อยู่เราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันมีอยู่ทุกขณะพอเรานอนจิตสงไปให้มีการประพฤติษปฏิบัติมีสตรริสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาตอนนั้นเนี่ยถึงถึงคราวทำสมาธิตะโกนทำไปให้เข้าใจว่าการทำสมาธิคือความสงบความสงบเนี่ยมันเพราะกำลังแห่มันเกิดเตอนนั้นเน่ยไม่ใช่ไปเห็ น, นอะไรต่ออะไรมากครอกตอนนั้น่ะดังนั้นการทำสมาธิต่อให้มันเสมอเี่ยการทำมีปรัชนาไม่ใช่ทำสมาธินั่นเอง บางแห่งบัดนี้เราทําสมาธิอืต่อไปเราทําดิปัชนาบัดนี้เราทําสมาธะอย่างนี้เป็นต้นอย่าให้มันห่างกันอย่างนั้นสิสมาธะนี่แหละคือบ่อเกิดของปัญญาปัญญาคือผลของสมถธะอย่างเข้าใจบัดนี้เราเรียนสมาธะต่อไปจะเรียนภาวนาวิปัชนาอย่างนี้มันแยกกันไม่ได้แต่มันแยกไปแต่ต่ำปุ๊อเหมือนเพียบไประเด็นว่าเหมือนมีโตเรียนหนึ่งอ่ะ คมมันอยู่ข้างสันมันอยู่ข้างหนึ่งทนนันมันแยกกันไม่ได้ครับถ้าเราจับด้ามของนี่โตขึ้นอันเดียวเท่านั้นมันติเป็นสังคมทั้งสันน่นเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนเราไอ้ความสงบเราเม่ละปัญญามันก็เกิดขึ้นที่ตรงนั้นเนี่ยให้เข้าใจว่ามันรุ่นเดียวกันทำทั้งหลายเราเนี่ยมันจะเกิดมาจากที่ไหนน่ะมันมีพ่อแม่เกิดมานะเหมือนปลกหลอนเกิดมาจากพ่อแม่มานั่งอยู่ที่นี่นะธรรมะจะเกิดขึ้ที่ไหนศีลเป็นพ่อแม่ของธรรมะ บนแรกมันจะต้องมีสีนสีลนี่คือความสงบเคือความผิดทางกายทางใจเนี่ยไม่มีไม่มีมมก็ไม่ละดับ้ อ, อนพอไม่มีความผิดที่พอไม่มีระดบอนเกิดขึ้นมาไอ้ความสงบบางครัมันก็เกิดขึ้นมาตัวสมาธิมันเกิดขึ้นมาแล้วในตัวมันนั่นแหลดังนั้นการจริญสีนตัวดีสมาธิตัวดีปัญญากัดีอันนี้เป็นตัวเป็นทางของพระอริยเจ้าจะนำมันไปสู่พัะนิพพานมันนั่นเดียวกัน ถ้าพูดให้ท่านก็มาสิ้นตัวดีสมาธิตัวดีปัญญาคือก้อนเดียวทำก้อนเดียวสิ้นก็คือสมาธิสมาธิตัวคือสิ้นสมาธิตัวคือปัญญาปัญญาก็คือสมาธิประเวนมาม่วงไปเดียวกันนั่นแหละเมื่อมันเป็นดอกมากระโดดมาม่วงนะเมื่อมันเป็นลูกเม็ดเมื่อกระเด็นมาผลมาม่วงมันเลกเมื่อมันโตขึ้นมาก็เรียกว่ามันโตไปหน่อยนะเมื่อมันโตไปโตไปมันหามื่อมาม่วงมันหามเต่เมันสุกก็มาม่วงมันสุกก็มะม่วงลูกเดียวกันนั่นแหละ แต่มันเปลี่ยนเปลี่ยนปลี่ยนปลี่ยนเปลี่ยนไปมันจะโตก็โตมาจากเล็กมันเล็กก็จะเล็กไปหาโตจะว่ามะม่วงต้นใไว้ก็ได้จะว่าไว้เดียวกันก็โูกสิตัวนี้สมาธิก็ดีปัญญานี้มันเกี่ยวเนื่องกันอย่างนั้นผลในสุดจะกดตกเป็นมรดกเดินทางไปสู่กระแสของปณิพานมะม่วงกระแสแตเป็นดอกมาก็ดีเป็นต้นมันก็ดําเนินการไปถึงสู่ความเป็นมันสุขนะสพอแล้วนะให้เราเห็นเค่นนี้ ถ้าเราเห็นจเ น, นี่ยก็ไม่ว่าอะไรมันตังฐานที่เป็นอะไรก็จังมั น, นเกิดมาเล้วมันจะ แ, แก่เกิดมาเร้วมันจะเป็นอะไรอะไรไปตามเรื่องนะพิจารณามันเนี่ยบางคนก็ไม่อยากแ ก, แกนะ่แก่นะแก่แลก็น้อยใจนะยังงั้นตัอยาจกกิงวนม่ว ง, งสุกสิฮะจะอยากให้มุวมวงสุกสมัยนะ่มันสุไปทางเอาไปบมมาไไม่ใช่เดอะเราจะแก่ก็สมอกตกใจใน้อยใจบางคนร้องไห้อยาตรวกลัวมันจะตายกลัวมันจะแก่ยังงั้นก็ม้ว่วงสุต้องไม่ต้องกินแบบน้ กินดอกอมะม่วงก็ดีกว่านะนี่ถ้าเราเป็นอย่างนั้น ถ, ถ้าเราคิดอย่างนี้มันเกิดเห็นขบมาะใส่จานเรานะอย่างนั้นแต่เราสบายมีอะไรนี้นั่งหน้ า, นาตั้งตา เ, าเจ้าเจ้าต้องแบบเคล็ดปฏิบยัยบัตรไปเท่านั้นเนี่ยอันนี้เติโนวา่านะจิตตังทานอง์ปมุนตีเได้คุณบุญทุกการที่มารวมกันในวันนี้นะอนธิบายธรรมะให้ฟังพอสมควรสับเพลาอะไรที่มันออันนี้มันเทศนะอันนี้เทศ อันนี้มันเพศ น, นั่นนี่แยกออาไปพิจารณายังไม่มีผิดยังไม่มีถูกเนี่ยมันจะผิดมันจะถูกต้องเอาไปพิจารณาเอานั้นนะเป็นส่วนของไปของไปทางนั้นเนะ่ะอันนั้นแต่อะไรมันพลาดมันผิดยังไม่ถูกอะไรก็ใอ้มันสะพายไปในตัวมัน น, นนะอย่างมันจะผิดจะถูกไปไปครอปฏิบททัติทางนั้นนะผิดก็เอาไปทิ้งสิถูกก็ไปปฏิบททัติดี่ปฏิบัติเน่ยปฏิบัติละมันจำถูกต้องผิดนะั่นแหะคนที่ส่วนมันเนี่ยผิดตัวทิ้งมัน ถูกก็ทิ้งมันถ้าถูกก็ไปยืดอก็ถูกถูกคนอื่นมาผิดก็ทะเลาะ ก, กันอย่างนั้นเนี่ยอย่างนี้เป็นส่วนธรรมะคือที่ไม่มีอะไรเนี่ยนะไม่มีอะไร อ, อาจารยเคยอ่านประวัติของลุกศิษย์นะก็เช่นนะธงที่มันปักอยู่เนะี่ยลงมันพัดไปมัน ม, มันแกวงไอ้คนหนึ่งว่าไอ้ธงทําไมมันแกวนมันเป็นเพราะลมนี่คนหนึ่งว่าไอ้คนนึงไม่ใช่มันเป็นเพราะมีธงเนี่ยนะก็เถียงกันอยู่นั่นแหละอาจารย์ก็นั่งเฉย มันเป็นเพราะลมไม่ใช่มันเป็นเพราะทงไม่ใช่มันเป็นเพราะลมไม่ใช่มันเป็นเพราะกเทียนน่อาจารย์แต่เอ้ยมิจทั้งสองนันะไอ้ทงมันจึงกวดแบเหือนี่ะไอ้งมันก็ไม่มีลงมันก็ไม่มีมันหมดกันแล้วนั้นเนีเรื่องมันจบอยู่แค่นั้นเราเด่กายในกายให้เห็นิ คำอธิบายเรื่องเห็นกายในกายกระจัดแลนะแตเห็นจิตในจิต่เป็นยังไงแน่ก้อยนี้เดียวให่ขี้ให้เหน่ยนะก็จะพูดเนาะให้พูดไม่ให้เหนื่อยไปได้มันตัวเหนื่อยตัจะพูดน่าระจักษ์นะ่ไถามว่าเปนอะไรติด ใคล้าๆว่า้รู้จักอะไรอันนี้เป็นกระโถนเราจะรู้จักนะของในกระโถนนี่คืออะไรบ้างเราก็ชัดขึ้นมาอะไรอยู่ในกระโถนนี้ทำไมก็เพราะเรารู้กระโถนนี้ก่อนใช่ไหมแล้วจะไปล sure. ูของในกระโถนก่อนไมได้เนาะเราจะอะไรเป็นตัวกระโถนนี่คือกระโถนเรามองเห็นว่าอะไรอยู่ในกระโถนนี้เก่อนมองเห็นน้ําในกระโถนนะปัญหามันจะเป็นอย่างนี้นะแต่เรื่องจิตนี้เขาเรียกว่า ถ้าพูดแล้วนะจิตไม่มีตัวตนนะจะมาตรงไหนมันก็เป็นจิตในได้เป็นจิตถ้าพูดเห็นง่ายก็เราก็รู้จักว่าอะไรมันเป็นจิตตรงนั้นความรู้สึกมันเัาอยู่มันรับรู้ทั้งหลายนี่แหละนี่แต่ตัวมันก็ไมมันมันมันมันไม่ทราบมันเป็นจิตนะแต่เรารู้อยู่เนไอ้ความรู้สึกความน้อมอารมณ์ไอ้ความจำอารมณ์อะไรต่างๆเนี่ยนะ เนี่ที่เราถูกอารมณ์มาแล้วน่ะนั่นเป็นอะไรเรายึดมาแล้วน่ะไอความภายในความที่ยึดมามันเป็นอะไรตรงนั้นมันมีอะไรมันมรเปล่าภายในจิตมันจับมานั้นมันมีอะไรไหมนั่นความรู้สึกเกิดขึ้นมามันรู้เป็นตัวจิตทีนี้ไอ้ความรู้ขึ้าไปในความรู้สึกนั่นเองมันมีอะไรไหนั้นตรงนั้นไหนดีกว่าภายในจิตรู้จิตในจิตเนี่ย ตัวจิตมันคือสขชนเนี่ยมันจะกระจ่างเพราะการอธิบายอย่างนี้นะเพราะมันไม่มีรูปน ะ, ะมันจะต้องอธิบายอย่างนี้กขชนมีเป็นตัวขชนดูอะไรของนีในขชนเกิดมมองดูตัวจิตจะเรียกว่าเราเป็นความผู้รู้สึกอารมณ์ผู้น่องนึกน อ, อารมณ์เข้ามาอารมณ์จิตนี่มันมันมันมันไปน่อมเงมันรู้มันไปนอ่อมอารมณ์เข้ามาอมไว้นะตัวใ น, นที่มันอมไว้มันมีรู้สึกมีอะไร ไ, มไหมในั้น มีความยึดมั่นหรือหมายมั่นผิดถูกอะไรต่างๆมีอยู่ในนั้นใม่ใช่เนี่ยคือคือมือมันมันมากรรบมาพับเนี่ยไม่รุ้กรรมอะไรมาน่ะคนี่นะมันมาวางคือมันมีอะไรในกํามือเรานอันนี้คือของในกรรมมือใช่ไหมจิตนี่ก็เหมือนการฉันนั่นนะแต่เราพูดกรรสศัพท์ธรรมชาติธรรมดาเราก็ได้ความพูดที่นอกเอาอารมณ์มาเอาอารมณ์มาเอาอารมณ์มาไว้ในจิตของเรานะ เมือเอามาเลยเป็นอารมณ์ที่มันตา่างกันในจิตมันมีอะไรบ้างไหมนั่น ม, มันมีความเห็นถูกต้องไหมมีความเห็นชอบไหมอะไรไหมมันดูเท่าต่อสุขต่อทุกข์อะไรไหมตรงนั้นแค่รู้จักนะนันจะเป็นทางเน้นมันมีใจทางมาดูอยู่ในตรงนั้นอ่ะออตรงนั้นมันอมอยู่ตรงนั้นอันนี้มันเป็นของปู่เจ้าเหตุสันนิษฐานก็เข้าใจคนระับเออเข้าใจเอาเท่านี้พอๆๆมั<อ>้งน<อ>ั่นแล้วไปคิดต่อเลไปต่อเอาเถอะค่ะไปลองไปลองนั่งปฏิบัติคือคือมันมัน มันมันมันอันนี้มันก็ไม่ไม่ไม่กระทั่งรู้เพราะน็เลยพูดให้ฟังแบบตามความจริงตัวเรานะจับไปแล้วก็คิดนะพระพุทธเจ้าจำกระบอกได้แต่ว่ากัารูตะขาคตาตถาคตเป็นแต่ผู้บอกคือบอกให้คนไหว้น้ําแต่ไหว้แทนไม่ได้จะไหวแทนเราก็จมดังนั้นมันไม่ใช่ใช่ที่ใส่เนี่ยมันต้องจำเป็นอย่างนั้นค่ะอย่างพระนิพพานอ่ะทาไมนีพระพุทธเจ้าของเราไม่ขี้แยเนมันแกล้ง คือมันแจ้งไม่ได้อที่รูปไอ้คนตาบอดดูนะมันแจ้งไม่ได้เนาะถ้ามันจะแจ้งคนจะเป็นรักษาตายมันตาดีซะก่อนมันถึงจะแจ้งได้อ <c oughs> มันจะเป็นในธรรมนอง น, นีอ้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าอยากจะให้รูปใจเห็นเยอเกินเลยแต่ว่ามันเป็นธรรมเป็นปัจจจตัง <c oughs> ท่านช่วยได้แค่นี้อโ <c oughs> ท่านบอกอักาตาโรตถ า, า, าคตาตถากตเป็นเตดูุบอกท่านบอกสัญญ์สัาญ์ก็นากลัวก็เป็นอย่างนั้น <c oughs> เมื่อกุณฑครับให้มันเริ่มไกลๆพก็ยามทาหน้าที่แต่ไกลๆมันงูอสจจรพิษน่ะเรามองเห็นมันติดไกลๆเราก็มีกลัวมันทําายเราครับือแม้ว่ามันมีพิษออาก็มีกลัวมันเพราะเราเห็นมันต้องไกลอยู่นี่แล้วไปเจอคราที่มันไม่รู้จักคิดเนี่ยเวทนาหรือเหมือนกันเราไปปล่อยคิดไปภาวนาเขาทาลายมัน เริ่มเลิกไปแตไปตายคิดไปเรื่อยๆไม่ความเริ่มตั้งแก่อนมีเวทนาครื่อยๆมีเวทนาแล้วไม่ไม่ก่อนมีเวทนาคล้ายกับมรณะสติใช่นั่นแหละนั่นแหละมรณะสตินี่ก็เวทนามันก็ไม่ลงกันมันก็ไม่ลงกันน่ามรณะสติมันตายไปเลยอันนี้มันสู้เวทนานี่มันสู้กับทางอันมันสู้เรื่องนี้กำลังยิงกันบัาเนาะ เพราะนั้นสติมันมาตายแล้วถ้าหากว่ามีเวทนาแรงๆนี้แล้วเรามันจะไปถึงไหนประชันมันเถอะแล้วจะมาจากคิดต่างๆวันนี้ต่อตายกับใจแล้วนั้นออกมาเอาสองอย่างนี้มาสิ่งอืง่นมัมารวมกันทางนั้นดังนั้นการประพฤติปฏิบัติที่จะให้ถูกต้องรู้จักความผิด ช, ชอบต่างๆก็คือตายกับใจใายกับใจนี่แหลาสุภาทุกสัมพันธ์กัน เกี่ยวเนื่องกันเป็นเนื่องเป็นดุกโซ่ทีเดียวดังนั้นการปฏิบัตินี้มันเึ็สิ่งที่สำคัญเด็ดเกินทุกอย่างถ้าเราได้มารู้มาหรือเห็นมาถ้าไม่ได้ปฏิบัติเป็ น, นต้นก็เรียกว่าได้เปรือบมันเท่านั้นอย่างเราจะได้ผลไามา้อันหนึ่งมาจะเปรี้ยวหรือหวานก็ช่างมันเถอะ ถ้าได้มาแล้วนะยังไม่รู้ปฏิบัติมันน้องแต่ไม่รู้ว่า video, มันเปรี้ยวมันเป็นยังไงหวานมันเป็นยังไงก็เพราะว่ามือของเรานั้นแหละอย่างเดียวนั่นแหละไปจับผลไม้มันจะรู้เปรี้ยวไหมมันก็ไม่รู้มันจะรู้เปรี้ยวหวานไหมมันก็ไม่รู้จักนี่แต่ว่าเราได้ผลไม้มาในมือเราแล้วนะแต่ก็ยังไม่เป็นประโยชน์เท่าที่ควรเพราะมันเปรี้ยวเรได้ยินที่เขาว่ามันเปรี้ยวหวาน ก็ได้ยินเต็เขาว่ามันหวานเราก็เอามือเรากามผลละไม้ๆเท่านั้นยังไม่เกิดประโยชน์ยางเต็มที่นี่ทำไมเพราะเรายังไม่ได้ปฏิบัติคือเรายังไม่ได้ทานผลไม้อันนั้นให้มันรู้รสชาติของมันเท่าไรจะทานผลไม้อันนั้น ผลไมา้อันนั้นมันก็แสดงออกมาคือความเปรี้ยวความหวานความมาดิดอร่อยเราถึงจะรู้จักเมื่อเรารู้จักแค่นนี้มันก็เป็นสิขีฟูโตคือมันเห็นพยานในตัวเองถ้าเรายังไม่เห็นอย่างนี้เราก็มีพยานภายนอกพยานคือคนให้ผลไามา้เพราะว่ามันเปรี้ยวเพราว่ามันห ว, วานเท่านั้นไม่เป็นสิกขีภูโตไม่เป็นตนของตนเลย อันนั้นยังเชื่อคนอื่นอยู่เป็นตน้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนที่เชื่อคนอื่นอยูพระพุทธเจ้าไมษษษษษษ่สรรเสริญสรรเสริญที่บุคคลที่รู้เป็นปัจจจต่างรู้หรือเพรตนเองเรียบอย่างผลไม้นั่นแหละถ้าเราได้ไปชิมรสมันแล้วมันหวานมันเปรี้ยวนั้นไม่ต้องไปถามใครปัญหามันหมดไปทําไมปัญหามันหมดไปพอเรารู้ตามความเป็นจริงรู้อย่างความเป็นจริง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 ่บุรุษที่บรรลุถึงความเปรี้ยวหวานของผลาั้นปัญหานั้นมาสมรงไปอย่างนี้มีหลักเรียบเทียบอยู่อย่างนี้ฟังธรรมที่จะให้เกิดความรู้จะเพาะตนเองนั้นโดยมากเมื่อจะบรรยายไปมากมันประมาณท่านก็ให้รู้เพียงสี่ประการนั้นเนี่ยคือให้รู้จักทุกรู้จักอิทธิอของทุก ให้รู้จักความดับทุกให้รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความหลับทุกหมดเท่านี้นี่มันหมดเท่านี้ที่เราดําเนินการประพฤติปฏิบัติมาทุกอย่างนั้นมารวมยอดจะให้รู้สิ่งทั้งหลายเท่านี้ให้รู้จักทุกรู้จักเหตุของทุก รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความหลับทุกข์เมื่อรู้จักของสี่อย่างนี้แล้วมันก็มันประหมดรู้ทุกข์เราก็รู้เหตุของทุกข์เราก็รู้ความหลับทุกข์เราก็รู้ข้อประพฤติปฏิบัติให้ถึงความหลับทุกข์นี้มันก็รู้รู้ของสี่อย่างนี้ก็ดีว่าจบปัญหามันสมุติไป ของสี่อย่างนี้มันเกิดขึ้นอยู่ที่ไหนเนี่ยมันเกิดอยู่ที่ของสองอย่างคือตายกับใจเท่านเนี้ยไม่อยู่อื่นไกลเนี่ยอย่างพวกพุทธบริษัทมาวันนี้เอากายกับใจมาพร้อมสมบูรณ์บดีพูรณ์เนี่ยทไมจะจริงๆแยบแยะธรรมะออกให้มากให้วกว้างก็เพราะว่าําสิ่งทางหลายแล้านะละเอียดเป็นอย่างอย่างออกไปส่วนให้เราสงบรู้เช่นร่างกายเหล่านี้ ท่านบอกว่าเกษาโลมานะขาตันตาสายโยยอดลงมาสารพัอย่างแยกแยกร่างกายออกมาคือจะทำให้เห็นร่างกายแห่ชะมิชานานให้มันรู้ยิ่งตามเป็นจริงของสภาพอันนี้ถ้าเรามารู้ยิ่งตามเป็นจริงแล้วเราก็ไม่รู้จักทุกไม่รู้จกักเหตุหรือของทุกไม่รู้จักความหลักทุกไม่รู้จักความปฏิวัติให้ถึงความหลักทุก ถ้าไม่รู้สิ่งทางหลายเหล่านี้ก็ไปรู้จากข้อประที่มดังนั้นฟังเทศหรือฟังธรรมในปัจจุบันในสมัยนี้เพื่อให้เกิดปัญญารู้สิ่งสี่สิ่งท้อนี้อสิ่งทั้งสี่อย่างนี้มันก็เกิดอยู่ที่กายกับใจของเราดังนั้นพระพรุทธเจ้าจะมีธรรมะมรรมะในอยู่ที่ไหนธรรมะจะมาอยู่ทุกที่ ที่ไหนไม่มีธรรมะไม่มีมันมีธรรมะอยู่ทุกสถานที่จะเป็นรูปมันก็เป็นธรรมะมจะเป็นนามมันก็เป็นธรรมะถ้ามันเป็นเจนนี้ก็เข้าใจเสียว่าเรานั่นนะ่ะเกิดอยู่ธรรมะเกิดอยู่กับธรมธรมะไล่ธรรมะคิดธรรมะถ้าเราเข้าใจเจนนี้เราก็ยังเข้าใจต่อไปอีกว่า เรายังไม่ห่างไกลจากพระพุทธเจ้าเราอยู่ใกล้คิดพระพุทธเจ้าอยู่แล้วแต่ว่าเราทาไมเราถึงไม่เห็นท่านเพราะเราไม่ค่อยสนใจปฏิบัติเองเพราะธรรมะนั้นก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นก็คือธรรมะดูปอนอานณ์ให้ท่านทำให้มากจเจริญให้มากปฏิบัติให้มาก ใครเห็นเรากับคนนั้นเห็นธรรมใครเห็นธรรมกับคนนั้นเห็นเรานี่ถ้าพูดอย่างนี้ก็เรียกว่าเราไม่ห่างไกลจากพระพุทธเจ้าไม่หา่างไกลจากธรรมะผู้ไรเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าผู้ไรเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นธรรมะอย่างนั้นเมื่อพูดถึงความใกล้ชิดกันเช่นนี้ก็พระพุทธเจ้าก็คือธรรมะธรรมะก็คือพระพุทธเจ้า เียชาราชกุ ม, มารผู้บาดเกิดม า, บาเบื้องแรกยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าก็คือท่านยังไม่รู้ธรรมะก็ยังเป็นผู้โชนอยู่อย่างพวกเรานน เ, เนี่ยเองแหละต่อเมื่อท่านรู้สิงที่ควรู้คือรู้สัจ ธ, ธรรมเป็นต้นรู้จักทุกุรู้จักเี่เกิดของทุกข์รู้จักความหลับทุกข์รู้จักข้อประพฤติปฏิบัติหถึงความหลับทุกข์แล้ว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 นะมเมื่อเราเข้าใจในธรรมะต่อประพุธมันก็อยู่ที่ใจเราพระธรรมมันก็อยู่ที่ใจเราข้อปฏิบัติประพุธปฏิบัติก็กิดความเฉลี่ขนาดที่ใจเราตายก็เป็นผู้ปฏิบัติ ด, ด้วยเป็นกายวาจาคิดที่คําที่เราว่าประพุธอยู่ที่ใจของเราพระธรรมอยู่ที่ใจของเรา ถ้าสงอยู่ที่ใจของเราความเชื่อแน่นอนทั้งหมดแล้วว่าจะทําดีทําชั่วที่ไหนก็ช่างเถอะเป็นสัจะ ธ, ธรรมเราทําดีอยูุ่ี่ไหนไม่มีใครเห็นตัวตามดีไม่มีใครสรรเสริญว่าตามแค่มีคนยินคทาอยู่ก็ช่างเถอะแต่การกระทำเรานั้นมาถูกต้องความที่ถูกต้องนั่นเองเนี่ยเป็นต้น น, นี่ คือรเราเห็นมันที่ถูกต้องตามสัจธรรมหรือความเป็นจริงซึ่งพระพุทธเจ้าสันกติไว้มันเป็นความจริงเป็นต้นข่านเป็นทิ้งโลกคือทิ้งสันติเสริญทิ้งนินทาใครจะนินทาท่าน็ทบว่ามันเป็นอย่างนั้นใครจะสันติเสริญท่านโอมันก็เป็นอย่างนั้นสองอย่างนี้มันเป็นเรื่องของโลกทางนั้นจิตใจของท่านก็ไม่หวั่นไหวเพราะอะไรท่านรู้จักทุก กรสิ่งทั้งสองอย่างนี้ทํำให้ท่านเกิดทุกข์าท่านไปเชื่อทุกข์มันก็เกิดจาก น, นั้นเนี่ยตัวทุกข์ตัวมันเป็นอย่างนั้นเกิดมาจากสับปะสายไม่สบายอกไม่สบายใจเดือดร้อนวุ่นวายจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็กระสับปะสายนั่นคือความทุกข์เพราะอะไรมันให้ทุกข์มานเกิดนะเพราะเราไม่รู้ความเป็นจริงอย่างนั้นทุกข์มันก็คืออันนั้นมันเป็นเอตุ เมืเ่อเป็นเหตุมาเกิดทุกข์มาแล้วจะดับทุกข์ยังไงก็เลยไม่รู้จักยิง่งใจมันรับทุกข์ไปเดียวอย่ามาว่าฉันเลยอย่ามาจิต ช, ช้าฉันเลยทุกข์มันยิ่งเกิดขึ้นมาไม่หยุดนะอย่ามาทําฉันเลยอย่ามาว่าฉันเลยอย่ามาตีฉันเลยทุกข์มันยิ่งกระเรื่ขึ้นมากจริงจริเนี่ย นี่ท่านรู้จักว่าข้อปฏิบัติถึงความรับสุกข์ก็คือน้อมธรรมะอันนี้เข้าใจของเราแล้วว่าเป็นปินติจิตธรรมเรื่องนั้นมันเป็นของนอกไม่ใช่เป็นของนในไอความเป็นจริงที่เราทํานะที่เราพูดนั้นที่เราตั้งใจนั้นเป็นต้นไม่มีใครรู้มันรู้อยู่ที่จิตของเราเป็นต้นดังนั้นถ้าใครเห็นว่าเรารู้จักว่าเป็นที่ขีภูโตก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 ก็เรียกว่าไม่รู้จักทางที่ปฏิบัติเพื่อความหลักทุกมันยิ่งสําเรื่อปึนม า, านนดังนั้นดังนั้นเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้แล้วกระเดี๋ยวเรายังไม่ชนะตัวเองเราอยากเอาชนะคนอื่นมันก็แพ้จากของเท่านั้นแหละถ้าเราเอาชนะตัวเองมันชนะทั้งตัวเองมันชนะทั้งคนอื่นชนะทั้งอารมณ์ทั้งรูปเสียงสิ่งโดยเป็นอย่างนั้นอันนี้พูดถึงเรื่องภายนอกมันเป็นอย่างนั้นเรื่องภายนอกมันะมาเป็นเรื่องภายในนะ่ะ อมัาเกี่ยวกับภายในอล า, างวางวเมืองกับรูปภายนอกไม่รูปภายในเช่นท่านพูดคํานึงว่า<ม>ให้รูปกายในกายให้รูปกายแล้กวกปยังไมงพอให้รูปกายในกายพิจารณาตายก็พิจารณาตายในตายแล้วก็พิยารณาจิตแล้วก็พิจาณาจิตในจิตอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราเป็นผู้ห่างเหินจากการภาวนาและประหมุ่นก็เหินแส่แล้วคำนี้ รู้กายสมหยไอ้กายในกายคืออะไรรู้จิตจิตนี่มันคืออะไรของในจิตนั้นมันคืออะไรกรเลยไม่รู้เรื่องก็เรียกว่าผู้นั้นไม่รู้จกกักทุกไม่รู้จกิตของทุกไม่รู้จักความหลับทุกไม่รู้จักข้อปฏิบัติใถึงความหลับทุกสิ่งที่ควรหลับทุกไม่หลับไปสนใจในสิ่งที่มันไม่เกิดแต่สิ่งที่มันไม่ขนะเช่นว่าเรามีความคันในจศีรษะ อย่างนี้เี่เราไปเกาที่ขานุ่งอย่างเนี้ยมันไม่ถูกจุดมันเอตัวนึกว่าจะให้มันสบายแต่มันไปเกาที่ขาแต่มันคันอยู่บุญที่ศรนี้ที้ว่าไม่รู้จุดมันจะให้มันระงับความคันมันระงับไม่ได้คนทุกข์เกิดขึ้นมาเป็นส่วนไม่รู้จากหลักทุกข์และข้อปฏิบัติให้รึ่งความหลักทุกข์เหมืนก็ไม่รู้ทิ้งทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นมันเป็นอีกที่พวเราจะนิ่งเผลอมากปนิ่ง เราไม่รู้จักอ น, นั่นของภายนอกรูปเวทนาสัญญาสังขารภายในอย่างร่างกายแล้วนี้ไอ้กายที่เรานั่งอยู่ประชุมกันนี้มองเห็นด้วยตาเรานี้เนียกว่ากายเห็นกายเท่านั้นเห็นรูปร่างกายท่านว่าเห็นกายห ย, ยาบหยาเห็นกายห ย, ยาบหยาเช่นนี้เป็นต้นนะมันจะเป็นเหตุให้ระงับความทุกข์หรือระงับเหตุที่ให้เกิดทุกข์ันไมได้เลย ทำไมเพราะว่าตายนี้เราไม่เห็นทางในเห็นแต่ข้างนอกนะอมันจะเห็นสิงที่สาที่สวยเป็นแก่นเป็นสารจะไปหมดทุกอย่างพระพุทธเจ้าเลยอันนี้ไม่พอท่านบอกว่าเห็นกายทางนอกอีตาเนื้อเรามันดูจับเด็กๆมันก็เห็นได้สัตว์ทางหลายมันก็เห็นได้มันไม่ยากกายนอกของเรานี่แต่เห็นแล้วมันติดเห็นแล้มันไม่รู้เห็นแล้วมันตะคบ แตพุกมันก็กลักเราท่านนั้นมันเป็นสายอย่างนี้มิท่านท่านจึงให้เห็นว่าให้พิจนาของเน่ก า, ายนี่พิจนากายไปนในกายอะไรในกายนั่นจะค้นข่วาหามีเนี่ยไปในกายนีไม่กว่าเอของในกายแล้วนี่มันเนี่ยบ้างที่เราเห็นกายภายนอกนั่นเป็นส่วนไม่ชดัดเจน เห็นโผมเห็นขนเห็นเล็บเห็นอะไรทั้งหลายเป็นตนวิเตของที่สะาสวยไปทั้งนั้นเป็นเครื่อนย่อมใจเรามิเตนั้นจะมาเห็นไหมชัดเห็นกายไหมไหมชัดถ้าในมองทางในเห็นกายในกายต่อมองก็มีไหวกายอยู่ในกายม่นมีอะไรบ้างในกายเลี้หนังมันหุ้มอยู่ในเปลือกนี่มันมีอยู่อย่าในกายมันมีอะไรบ้างจิตกิจนาโดยแยบตาตายก็ไปเด้เราคงเห็นแต่ในกายมันมีอะไรหลายอย่าง ซึ่งมนุษย์เราทั้งหลายมองดูแล้วเป็นต้นสาละพัอยางนั่นและแปลกใจแต่เราพ่นกันไปเราแปลกใจทั้งนั้นนะ่ดีของในตัวของเราไม่เคยเห็นเลยเดี๋ยวเราอุ้มมันไปเดินจะอุ้มมันไปนั่งรถจะอุ้มมันขึ้นรถไปทั้งนั้นแต่ตาแต่เรายังไม่รู้มันหรือว่ามันเป็นอะไรอืมนะเพราะวาเวลาเราถูกของฝากครับเช่นวเวลาไปบ้านญาติจะเอาข้าวหออะไรให้เราจับเป็นตะกร้าไปเลย ไม่ได้เปิดดูมาดิขายดูสิก็เหมือนกันฉันนั้นเมื่อไปเปิดดูแล้วไปตรวจหม่เป็นอัศรพิษอยู่ดังนั้นกายนี้เป็นกันฉันนั้นถ้าเราเห็นเปลือกนอกไปเห็นแบบของสวยของงามอะไรสารพัดอย่างลืมลืมตัวลืมตัวนลืมอัออนิจฉาลืมถูกขังลืมอันาตาลืม เ, เปิดทั้งนั้นเนี่ยถ้าเรามองดูขา้างในกายแล้วเป็นโต้นไม่น่าจะดูนะ เรื่องของกายเราเนี่ยของที่สะอาดเอามาใส่เป็นต้นมันกอสุกภบภายนอกกอสุ ก, กภายนอ ก, ภ า, นอกภายในกอสุกภพภายในเรื่องภายในก็ยิ่งหน้าดูยิ่งกว่านั้นอีกดูเขาเ้าไปข้างในเราทีมันในร่างกายเรามันมีอะไรบ้างไหมถ้ารู้ตามความเป็นจริงแล้วรู้ตามสัจธรรมแล้วนะไม่เข้าข้างตัวตะแล้วเป็นต้นต<ป>ายภายนอกก็ดีดูของดูกายในต า, ายก็ดีมันน่าจะดูนะ ดูมันน่าดูอหน่าสลดมันน่าสังเวชมันน่าอะไรหลายอย่างอ่ะอน่าเกิดนิพพิธาความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายไม่ใช่ไปเครียดมันนะไม่จะไปโกรธมันนะความกระา่างความเป็นอ่างของจิตของเราเนะี่ยความปล่อยความวางเห็นว่าอันนี้ไม่เคยเป็นสาระประโยชน์อะไรมากไม่เป็นแกนไม่เป็นสารไม่มีอะไรมากมาย เราเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นธรรมชาติที่เป็นธรรมดาในของเค้าระตั้นของเขาอยู่อย่างนั้นใครจะให้เป็นยังไงก็ก็เป็นอย่างเขาเป็นนัเนีองเราจะร้องไห้ก็ดีเราจะหัวเราะก็ตามเถอะสังขารนี้ก็เป็นอยู่อย่างนั้นสิ่งที่ไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่สวยมันก็ไม่สวยมันเป็นอยู่อย่างนั้นถึงคนจะรู้ถึงคนจะไม่รู้มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นดังนั้นพระผู้มีประภาคของเราแต่เนี่ยเมื่อเราเห็นรูป เมื่อลูกเสียงกลิ่นรถโพธะทำมารมเกิดขึ้นมาแล้วควรปล่อยเข้าไปสักเมื่อตายเห็นลูกก็ปล่อยไปสนะักไปบ้านเขาไปอืมเมื่อหูเป็นได้ยินเสียงก็ปล่อยเขาเสียงเข้าไปสักเมื่อจมูกได้ดิ้งกลิ่นก็ปล่อยกลิก่นเข้าไปสักเอาไปเจอจมูกเราเนี่ยเมื่อรถมันเกิดกับดินเราเป็นต้นปล่อยรถมันไนะักเมื่อโพธะทำเทียมันถูกต้องเข้าไปเกิดกันมาชอบใจไม่ชอบใจก็ปล่อยเหมือนสัก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 เป็นส่วนสิ่งทั้งหลายนี้กับรอยโดยตามเรื่องของเขาแยกเหมือนเรารู้มันอย่างนี้สุขบอดีทุกข์บอดีสารพัดอย่างอยู่ในรุ่ น, นเดียวกันนี่เรียกว่าการภาวนาการภาวนาคือทําให้สงบสงบแล้วก็คือทำให้รู้การทำให้สงบคือการทำให้รู้นี่ต้องลงมือปฏิบัติกายกับจิตสองอย่างนี้เองไม่ใจอื่นความเป็นสิงนั้สิ่งทั้งสิ่งเนี้มันเป็นของและสิ่งและสิ่ง เศษรูปก็เป็นส่วนหนึ่งเสียงก็เป็นส่วนหนึ่งบิก็เ่นงก็เป็นส่วนหนึ่งรถก็เป็นส่วนหนึ่งโถดท่าพะก็เป็นส่วนหนึ่งธรรมารมณ์มันก็เป็นส่วนหนึ่งมันเป็นคนละส่วนละส่วนอยู่แต่ว่าท่านแหนรู้จักมันช่ไหมเนี่ยแยกสิ่งทั้งหลายนี่เวทนาสุขเกิดขึ้นมาก็เป็นสุขเวทนาทุกข์ซึ่งมันเกิดขึ้นมาก็เรียกว่าทุกขเวทนานะเรื่องสุขกับทุกข์นี้คือท่านแหรมันแยกมันดอกจากจิต จิตก็คือผู้รู้เวทนานั่นก็คืออาการย์ที่มันเป็นสุขหรือทุกข์ที่ชอบใจไม่ชอบใจนั่นเองเป็นต้นเมื่อ <c oughs> จิ ต, เ, เ, เ, รร เ, รจตเราเข้าไปเสำวยในอารมณ์มันนั้นเรียกว่าจิตของเราเข้ไปยึดหรือหมายมั่นหรือสําคัญมั่นหมายในความสุขนั้นในความทุกข์อันนั้นนั่นเองไอ้ที่เราก็าไปหมายมั่นมันก็คือเรื่องจิต อาการที่มันสุขมันทุกข์นั่นเรียกเป็นอาการของเวทนา ừ. เวทนาความรู้นั่นเรียกว่าจิตของเราที่เรียกว่าสุขหรือทุกข์นั่นมันเป็นเวทนาถ้ามันสุขก็เรียกว่าสุขเวทนาถ้ามันทุกข์ก็เรียกว่าทุกขเวทนาที่เรียกว่าจิตกับเวทนานั้นถ้าในรู้มันแย ก, กมันออกจากกัน คำที่ว่าแยกออกเป็นตน้นไม่ใช่ว่ามันเอาไปทิ้งไปคนใดอย่างเอาทิ้งไป็นคนใดที่นะจิตมันก็ต้องรู้สุกจิตมันก็ต้องรู้ความทุกขนะ์ถ้าหากว่าบางครั้งเราแยกโดยความที่จิตเราสงบเช่นว่าบุคคลผู้ที่ทำสมาธิเป็นตน้นมันก็รู้จักเบญทนาแล้วมาแยกมันเสีย ความสุขความสงบนั้นมันโดนเหลือเ น, นี่ยสุขอย่างนี้ก็เข้าไปไม่ถึงทูกอย่างนี้ก็เข้าไปไม่นา น, นเป็นต้นอันนี้เบญธนามันก็แยกอย่างเราทั่งความสงบมันเข้ามาก่อนเวทนาเื่นทีลังเป็นต้นเบญธนามันก็ดื้อต่อไปถึงจิจต่อไม่รับรู้เป็นต้นอันนั้นไม่รู้จักเวทนามันก็แยกไปในตัวของมันอย่างใดก็ตามเธอนะ้น เวทนาก็คือความสุขสุขก็เรียกว่าสุขเวทนาทุกข์เกิดขึ้นมาก็เรียกว่าทุกขเวทนานี่คือเวทนาตัวจิตที่เราเห็นสุขเวทน า, านั้นเราก็ไปยึดไหมทุกขเวทนาเกิดขึ้นมานั้นเราก็ไปยึดมันไหมเรารู้จักว่าเออจิตของเราเป็นอย่างนี้สุขมันเป็นอย่างนี้ทุกข์มันเป็นอย่างนี้ เวทนามันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นคนในเรื่องกันอยู่มันจะเปรียบคล้ายกันเลยว่าน้ํามันกับน้ำท่านะแต่มันปนกันอยู่ในขวดเดียวกันก็ปนกันได้แต่ว่ามันแยกผีอยู่กันแต่ว่ามันอยู่ร่วมขวดกันก็ได้แต่ว่ามันไม่ซึมชาบเข้าไปในกันมันปะปนกันอยู่น้ํามันมันกวาเป็นน้ํามันน้ำท่ามันก็เป็นน้ำท่าทําไมถึงมันเป็นเช่นนั้นมันมีน้ําหนักต่างกัน มันมีนั้นอัดต่างกันมันถึงแยกกันอยู่อย่างนั้นจิตนี้กับมันกันฉันนั้นถ้าปกติของจิตของเรามันก็ไม่สุขไม่ทุกข์อย่างนี้ไม่สุขไม่ทุกข์นะมันเกิดเวทนามันเกิดสุขพุทธออกมาอย่างนี้ถ้าเรามีสติอยู่อันนี้เรียกว่าสุขสุขนั้นมันจะสุขอยู่แต่ว่าไอจิตที่มันรู้ว่าสุขมันไม่เทียงมันก็ไม่ไปยึดเอาสุขอันั้นสุขก็มันมีอยู่มันมีอยู่แต่จิตรู้อยู่มีอยู่นอกจิต ไม่มีฝังอยู่ในดวงของจิตแต่รู้ชัดเจนทุกมันเกิด็นมานะมันแยกเวทนาได้ไหมมันไม่ทุกหรือมัน ม, มันไม่รู้จักทุกหรือรู้จักทุกมันรู้จักทุกแล้วแต่ว่าจิตมันก็เป็นจิตเวทนาก็เป็นเวทนาจิตนั่นไม่มีความสามารถจะไปยึดทุก น, นมาแบกไ ว, กว้พอมันทุกอย่างนั้นเป็นต้น